อยู่กลางค่ำกลางคืนดึกๆเหรืออาจจะแค่สองทุ่มสามทุ่มหู oh, oh, เราเนี่ยมันก็จะเริ่มนะถูกปรุงขึ้นมาได้ได้ยินเสียงอะไรที่เดินอยู่ oh. กรอบกรกรอบแกร บ, กรบนะรอบกุฏิที่พักของเรานะพอได้ยินเท่านั้นแหละก็ตื่นกลัวขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไปเข้าใจว่าหรือไปคิดเอาว่า มีผู้ไม่ประสง์ดีนะมาเดินอยู่รอบกุฏิในป่านี้บางทีเสียงมันก็ดังฟังชัดดีนะแม้แต่เสียงที่อยู่ไกลๆบางทีเหมือนก็อยู่ใกล้ๆพอมีเสียงอะไรเดินอยู่รอบกุฏินี่ก็เอาละกลัวละคิดโนวนคิดนี่สารพัดแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่อะไรนะียอาจจะเป็นเสียงเดินของสัตว์นะเช่นพวกหนู มันก็จะเดินออกหากินตัวมันเล็กนะแต่ว่าเสียงมันดูใหญ่เคยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเคยพักอยู่ในเขตอุบาสิกาตอนนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งเขตเป็นเขตอุบาสิกาเขตพระคนก็ยังไม่มากเขตอุบาสิกาก็ต้นไม้ก็ทึบมีวันหนึ่งท่านก็มีคืนหนึ่งท่านก็ได้ยินเสียง เหมือนกับว่าเป็นสัตว์นะเดินอยู่ขึ้นบันไดามาเสียงมันดังฟังชัดมากแล้วก็มอนก็มีอาการสะเทือนขึ้นมาด้วยต้องตกใจตอนนั้นที่กุฏิบริเวณ น, นั้นก็ไม่มีใครก็มีแต่ท่านรูปเดียวสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงก็คือต้องเป็นสัตว์ใหญ่และสัตว์ใหญ่ในป่านี้นะที่มันจะเดินบนบันไดได้ก็ต้องเป็นหมี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 แต่ก็สังเกตว่าสบู่นี่ที่ไว้ตั้งไว้ที่ระเบียงมันหายไปพอเดินออกไปเดินลงกุฏิไปสำรวจบริเวณรอบๆก็ไปเห็นสบู่มันตกอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เข้าไปในป่ามาสังเกตสบู่มันมีรอยหรือก็รอยแทะนะรอยแทะของหนู ก็เลยเข้าใจเลยอ๋อมันไม่ใช่หมีนะแต่มันเป็นหนูหนูมันขึ้นมากุตินะแล้วมันก็คาบเอาสบู่ไปเสียงของหนูกับเสียงของหมีนี่มันไกลนะไกลกันมากขนาดของตัวมันก็ใหญ่ต่างกันเป็นเพราะใจที่มันกลัวมันก็ปรุงหูก็เลยปรุงไปด้วยหูนี่มันหลอกเราได้เหมือนกันนะ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 ลงจากกุฏิเดินอ้อมกุฏิไปดูว่าไอเสียงข้างฝามันคืออะไรมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เป็นตุกแกตุกแกมันมันฆ่าสัตว์ใหญ่ได้บางทีมันก็สัตว์ใหญ่เกินตัวมันน่นมันก็ข้ามก็ตีตีเตีข้างฝานะจนกระทังตายแล้วมันก็ค่อยกลืนเข้าไปบางทีก็เป็นแมลงตัวใหญ่นะมันก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันตัวตุกแกเนี่ย อยู่ที่นี่นี่อย่าไปเชื่อหูมากนะต้องเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าอะไรที่ไม่เห็นด้วยตาอยจะเพิ่งไปเชื่อเพียงแค่ได้ยินด้วยหูนะยังเชื่อไม่ได้หรือแม้แต่ได้กลิ่นนะก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องเห็นด้วยตาเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันปรุงได้สารพัดแต่แม้แต่สิ่งที่เห็นด้วยตานี่ก็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 ว่ามีคนนึงเนี่ยเดินทางเข้าไปในชนลำบดุลนะคงเดินทางไกลด้วยแหละลววเราพบกัว่าตอนนั้นเป็นตอนคืนฝนฟ้าก็พายุกระหน่ามากไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ mm hmm. ก็เลยต้องหาที่พักแล้วเขาก็ไปเจอปราสาทเก่าแก่เลยปราสาทนี้มันไม่ใช่เป็นของรัฐบาลนะมันเป็นของเอกชนก็มีคนที่มีเชื้อนะเชื้อพวกขุนนางนี่ก็จะอยู่ปราสาทกัน ก็เข้าไปขอพักแรมในปราสาทปราสาทนั่นก็มีคนแค่คนสองคนนะ mm. ก็เป็นผู้หญิงอายุมาก mm. ก็มาเปิดต้อนรับเข้าใ mm. จว่าปราสาทนั้นคงจะเป็นทำให้เป็นที่พักคนเดินทางไปด้วย mm. ก็ไปพักในปราสาทนี้ก็ mm. โอ้ห้องที่เขาจัดให้นี่มันก็ดูเก่า mm. เก่าแก่คึําคร่าบ้านของคนคนอังกฤษนี่บางหลังนี่อายุถึง 600-700 ปีก็มีนะ เคยไปประเทศอังกฤษไปบินทบาทไปบินทบาทนี่เขาก็จะไม่เหมือนเมืองไทยบินธบาทนี่เราก็รับบาดข้างนอกแต่ว่าในประเทศอังกฤษนี่คนเขาไม่มีประเพณีแบบนี้เราก็ไปรับบาดในบ้านเขาเขาก็จัดอาหารจัดขนมปังมาต้อนรับเลี้ยงน้ําชาเลี้ยงกาแฟก็เห็นบ้านหลังหนึ่งดูเก่ามากเลยถามเจ้าของบ้านว่ามันอายุเท่าไหร่เขาว่าหกเจ็ดปีแลแต่เขารักษาไว้ดได้เพราะเขาทาด้วยอีก เอาอีดมาเกะก่อๆ่กักนแล้วก็ตกแต่งบูรณะอย่างดีแบบนี้มีเยอะมากบางหลังนี้ก็เป็นพันปีก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศอังกฤษกลับมาเรื่องที่ว่าต่อแนละ้วเขาก็ไปมาเป็นนอนในห้องพักที่จัดไว้ให้พราะว่าฝนฟ้ามันก็ยังกระนํานะจนกระทั่งไฟดับพอไฟดับคนนี้แล้วเขาก็ตกใจละเพราะว่าบรรยากาศมันวังเวงมากขณะที่เขา นอนบนเตียงเนี่ยนะมันเสียงฟ้าแล้วมันก็แป ร, ป ร, ปรปัปๆี่เป็นเป็นระยะระยะ<อ>ได้เสียงกุกกักกุกกักอยู่ตลอดเลยเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็สักพักนี้เขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนกับมีมือสองข้างเนี่ยโผลมาตรงปลายเตียงมือนี่มันโผลมาสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นเขาเตรียมตัวอยู่แล้วนะเขาก็มีปืนอยู่ข้างเตียง พอมือมันโผล่สูงขึ้นสูงขึ้นนี้ก็ทํายังไงก็ปืนเนี่ยส่องลงไปยิงไปเลยที่มือตรงปลายเตียงที่มันกำลังโผล่ขึ้นมาพรากฏว่าคืนนะั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลเพราะไปยิงเท้าตัวเองเท้าตัวมันโผล่ขึ้นมาก็ไปยิงเท้าตัวเองเป็นว่าเป็นมือนี่มันหลอกได้นะตาเนี่นยถ้าเห็นด้วยตาได้แท้เนี่ยแต่ความกลัวเนี่ยมันทําให้ตาเนี่ยมันมันหลอกได้ พวกเรานี่เวลาเจอแล้วก็ตามนี้แม้แต่เห็นด้วยตาบางทีก็เชื่อไม่ได้นะเพราะว่าใจมันก็ไปปรุงด้วยเราต้องรู้จักทักทวงบ้างอย่าเพิ่งไปเชื่อมันทีเดียวนะอย่างที่เขาบอกว่า10บบอกว่าไม่เท่าตายเห็ น, นสิบตายเห็นก็ไม่เท่ามือคลำ บ, บางทีมันคลำไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเลยเพราะเวลาที่ใจเราเนี่ยมันมันไม่ปกติมันวันไวมันกลัว แต่บางทีเวลาใจปกตินี่ก็มันก็ปรุงแต่งได้เหมือนกันนะเราเคยหรือเปล่านะทำของหายอ่ะของเราจะเป็นนาฬิกาจะเป็นสร้อยหรือจะเป็นแหวนเนี่ยวางเอาไว้นะในห้องเสร็จแล้วปรากฏว่ามันหายไปมันหายไปนี่เอาละนะก็ต้องคิดแล้วว่าเนี่ยต้องมีใครเอาไปหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่แค่คิดคิดเฉยๆมันปักใจเชื่อเลยว่ามีคนเอาไป มีคนข้างห้องหรือว่ามีคนทำความสะอาดเขาพึ่งเข้าไปทำความสะอาดนะ้ำมือตอนเช้าก่อนนั้นนั้นของก็ยังวางอยู่ดีๆแต่พอตอนบ่ายกลับเข้าไปดูของหายไปซะแล้วใครเอาไปนะจะเป็นใครไม่ได้นะก็ต้องเป็นคนทำความสะอาดนั่นแหละคราวนี้พอคิดแบบนี้เขานะเวลาคนทำความสะอาดเนี่ยเขาเดินผ่านเราเราก็จะ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 แะที่เราเชื่อมันมาเข้าไปก็เพราะมีเห็นมีผนหลายอย่างท่าทีเขามีพิรุษนะคำพูดคาําจากายของเขาแต่ที่จริงเขาไม่มีพิรุษอะไรหลอกแต่ใจเราต่งางหางที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดว่าเขามีพิรุษเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นขโมยเสร็จแล้วแต่พอรู้เราล้วนเขาไม่ใช่ขโมยทีนี้เรากลับมาดูอากับปิกายเขาใหม่อากับก์กายเขาก็ปกตินะไม่ได้มีอะไร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 บางทีมันไม่ใช่คนนะอย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นคนอาจจะเป็นหนูก็ได้หนูนี่มันก็เอาของที่เราคิดไม่ถึงว่าจเจาไปได้นะเพราะเราก็ต้องระวังนะเวลาเราจะสรุปอะไรก็ตามว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้นี่จะเพิ่งไปเชื่อความคิดมากงนันะต้องรู้จักทักท้วงความคิดของตัวเราบ้างเพราะคนเราเดี๋ยวนี้เชื่อความคิดง่ายคิดอะไรปุ๊บมันก็เชื่อปั๊บว่าเป็นความจริง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 แต่สมัยนี้มันง่ายมากไม่พอใจแล้วก็โทรไปด่าทันทีก็เลยเสียเพื่อนไม่มีโอกาสได้ทันยังคิดแต่ความจริงก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะที่ที่เราคิดไปที่เขาไม่มาเขาอาจจะมีธุระนะหรือเขาอาจจะมาแต่มาคนละเวลานักกันไม่เขาจะให้ชัดนัดว่าสี่โมงไม่ว่าสี่โมงเช้าหรือว่า4ี่โมงเย็นหรือว่านัดเจอกันที่ประตูแต่ว่าประตูมันมีหลายประตู ทางเข้ามีหลายทางเข้ า, ข า, าก็อาจจะไปเจอไปรอเราอีกที่ทางหนึ่งก็ได้พองแบบนี้มันต้องอย่าพึ่งไปสรุปอย่าพิ่งไปโกรธนะต้องซักต้องถามกันสะ ก, ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่เดือนนี้เราปากเราไม่ค่อยชอบถามเท่าไหร่หรือว่านะปากหนักปากหนักคือว่ามีอะไรก็ไม่ถามแต่สรุปไปซะแล้วว่าก็เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้มีคนมากระซิบว่านายก้อนนี่เขาดินทาเธอ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 ให้ราลึกว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดมันยังไม่ใช่ความจริงความคิดกับความจริงมันห่างกันไกลมากนั้นเราต้องมันทักท้วงทักท้วงความคิดของเรานะอย่าไปเชื่อความคิดอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็น ง, ง่ายงอย่าไปเชื่อสิ่งที่ได้ยิน ง, ง่ายง่านยะมันทักท้วงว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ใหม่ใหม่มันก็ทํายากนะเพราะว่าเรามีนิสัยสรุปไปอย่างนั้นแล้ว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 แต่นี้หลอกกันง่ายมากเชื่อข่าวลือกันง่ายมากก็เพราะว่าเราไม่ค่อยเผื่อใจไว้เผื่อใจไว้บ้างนะแม้ว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ว่าได้ยินอะไรมาไม่วไาได้เห็นอะไรมาหรือแม้ต่นเราทักท้วงบ่อยๆทักทวงบ่อยๆเนี่ยใจมันก็จะมีสติมากขึ้นอารมณ์ก็จะเข้ามาครอบงำใจเราได้น้อยลงคนเราถ้าอารมณ์มาครอบงำใจแล้เนี่ยมันสติมันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเราหัดเรีว่ายังจิตคิดเผื่อบ้าง ยังจิตคิดเผื่อยังจิตคือว่ายังไม่สรุปอะไรง่ายๆ ย, ยังไม่โกรธใครง่ายๆ ย, ยังไม่เกลียดใครง่ายๆา ย, ยังจิตเอาไว้คิดเผื่อบ้างว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราได้ยินถ้าทำสองอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยมันจะพลังพลาดได้ยากนะจะเกิดความเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันได้ยากไม่งั้นนี่บางทีเราอา จ, จะทาสิ่งที่ไม่สมควรได้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 หือผู้หญิงอาจจะเห็นพระเอกไปใกล้ชิด ก, กับเพื่อนต่างเพศก็เลยสรุปแล้วล่วงหน้าแล้วว่าเป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้ว่าเขานอกใจเรานี่คือพลอตหรือว่ามุกในละครที่ยังขายได้ขายดีนะห้ปีอย่างไรก็10ปีก็อย่างนั้นปัจจุบันก็อย่างนี้นะทุกคนก็ยังติดตามแล้วก็ร้องหผงร้องไห้ไปเศร้าเสียใจไปกับตัวละครไปด่าว่านางอีชา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 สามารถจะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องไม่ไปมีเรื่องเข้าใจผิดหรือเรื่องทะเลาะบอะแว้งกับใคร